1911, พิจารณาจิตไม่ว่าใดๆในโลกความสุขนั้นย่อมมีอยู่เพียงสองคือความสุขทางกายและความสุขทางใจความรู้สึกสุขทางกายเป็นเพราะความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดได้ลดลงความรู้สึกสุขทางใจนั้นล้วนประกอบไปด้วยความคิดอันเกิดจากสังขารปรุงแต่ง ทรัพสมบัติทั้งหลายในโลกล้วนเป็นแค่เพียงสิ่งที่ช่วยให้ความทุกข์ทรมานลดลงซึ่งก็ล้วนเป็นเพียงผลของความคิดซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีความหมายที่แท้จริงมันเป็นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีความเพลิดเพลินอยู่กับอาณาจักรประเทศเมืองบ้านภาหนะเก้าอี้เสื้อผ้าเตียงอาหาร เครื่องดื่มช้างมา้าและผู้หญิงเมื่อจิตได้รับการกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงเกิดความสุขความพึงพอใจขึ้นแต่เพราะขณะนั้นมันไม่ได้สนใจกับสิ่งอื่นๆสิ่งอื่นก็ไม่ได้มีความหมายอันใดแม้นเมื่อประสาทสัมผัสทั้ง5รับรู้วัตถุแต่หากความคิดปรุงแต่งไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มันก็จะไม่สามารถบังเกิดความสุขขึ้นได้เมื่อใดก็ตามที่วัตถุแห่งอารมณ์อันหนึ่งได้ถูกรับรู้โดยประสาทสัมผัสอันหนึ่งเมื่อนั้นวัตถุแห่งอารมณ์อันอื่นที่เหลือก็ไม่สามารถถูกรับรู้โดยประสาทสัมผัสที่เหลือได้วัตถุแห่งอารมณ์ที่เหลือนั้นจึงหมดความหมายไปในขณะนั้น จิตจะให้ความหมายต่อภาพลักษณ์ของวัตถุในอดีต ท, ที่เคยได้ถูกรับรู้โดยประสาทสัมผัสและวาดฝันจินตนาการรุงแต่งเป็นความสุขความพึงพอใจเช่นเดียวกันประสาทรู้สึกสัมผัสหนึ่งจะรู้จักวัตถุแห่งอารมณ์แบบหนึ่งซึ่งมันจะไม่มีความหมายอันใดเลยหากปราศจากวัตถุแห่งอารมณ์และวัตถุแห่งอารมณ์ ก็ไม่ได้มีความหมายอันใดเลยหากปราศจากประ ส, า, ระสาทรู้สึกสัมผัสเหมือนกับเด็กจะถือกาเนิดขึ้นได้ต้องอาศัยพ่อและแม่ความรู้สึกทางตาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยตาและรูปวัตถุแห่งอารมณ์ในอดีตในอนาคตและความรู้สึกสัมผัสทั้งหลายนั้นมีได้มีความหมาย วัตถุแห่งอารมณ์ในปัจจุบันก็ไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีได้แตกต่างจากสองสิ่งนี้เลยการรับรู้วัตถุในปัจจุบันของประสาทสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกับความบกพร่องที่เกิดขึ้นเมื่อตาเห็นลูกไฟที่หมุนเป็นวงกลมแล้วสำคัญว่าเป็นกลงล้อไฟประสาทสัมผัสและวัตถุของมันก็ล้วนประกอบไปด้วยธาตุ แต่เพราะธาตุนั้นไม่ได้มีความหมายโดยตัวมันเองสิ่งเหล่านี้จึงไม่ได้มีความหมายที่แท้จริงไปด้วยหากว่าธาตุแต่ละชนิดล้วนแตกต่างและแยกจากกันนั่นย่อมหมายความว่ามันสามารถมีไฟได้โดยปราศจากเชื้อเพลิงแต่หากมันต้องผสมรวมกันอยู่เสมอนั่นย่อมหมายความว่า มันไม่มีคุณสมบัติจำเพาะของตัวมันเองและนี่ก็สามารถพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันในธาตุอื่นๆเนื่องเพราะธาตุทั้งหลายล้วนไม่มีความหมายในทํานองที่กล่าวมานี้ซึ่งมันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งที่ต้องประกอบกันนั้นมันย่อมไม่มีความหมายที่แท้จริงของมันนั่นก็คือรูป ย่อมไม่มีความหมายที่แท้จริงเช่นกันในทำนองเดียวกันกับวิญญาณและความรู้สึกความสามารถในการแยกแยะและองค์ประกอบทั้งหลายโดยตัวมันเองหรือโดยรวมทั้งหมดล้วนปราศจากธรรมชาติที่แท้จริงและที่สุดแล้วก็ไม่มีความหมายที่แท้จริงเลยแค่เพียงการลดลงของความเจ็บปวดความทุกข์ทรมาน มันเป็นเพียงความฝันจินตนาการเอาเองของจิตว่าเป็นความสุขความพึงพอใจและความหมดไปความเสื่อมสลายไปของความสุขความพึงพอใจก็เป็นเพียงความฝันจินตนาการเอาเองของจิตว่าเป็นความทุกข์ดังนั้นความหลงยึดติดว่าได้พบความสุขความพึงพอใจหรือความหลงยึดติดว่าได้แยกออกจากความทุกข์ความเจ็บปวด จึงควรถูกละทิ้งเสียเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงผู้ที่เห็นแจ้งเช่นนี้คือผู้ที่เป็นอิสระหลุดพ้นอะไรเล่าที่เป็นผู้เห็นโดยสมมุติเราเรียกว่าจิตแต่หากปราศจากองค์ประกอบอื่นๆของจิตมันก็ไม่มีจิตซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไม่ได้มีความหมายที่แท้จริงเลย เนื่องเพราะไม่สามารถแสดงได้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวพร้อมๆกันหากเข้าใจได้อย่างถูกต้องเช่นนี้ดังที่มันเป็นของมันเอง ก, การกลับชาติมาเกิดของชีวิตหนึ่งหนึ่งโดยความจริงแท้แล้วมันไม่ได้มีอยู่ชีวิตหนึ่งที่ผ่านไปไม่ได้เป็นเหตุและไม่ได้ถูกกำหนดไว้จำเพาะในการกลับมาเกิดใหม่เช่นเดียวกับไฟ ที่ไม่ได้มีเหตุจำเพาะตัวของมันในการกลับมาเกิดอีก